ตอนที่16ปาฏิหารเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปตามชนบทต่างๆพร้อมกับภิกษุสงฆ์นั้นทุกแห่งที่เสด็จไปมีประชาชนเป็นกลุ่มจับตาดูพระองค์มีคนจำนวนมากเลื่อมใสในการตรัสและคำสั่งสอนนั้น จนยอมเข้าเป็นสาวกของพระองค์ด้วยความสมัครใจแต่พร้อมกันนั้นก็ยังมีศาสดาสอนศาสนารายอื่นๆซึ่งมีวิธีการสอนให้ประชาชนเลื่อมใสได้มากและก็ยังมีเจ้าลัทธิบางคนได้แสดงบางสิ่งบางอย่างเรียกว่าปาฏิหารในบางครั้งเพื่อชักจูงมาหาชนให้แตกตื่นไปคอยเฝ้าดูซึ่งก็มีอยู่เป็นส่วนมากที่เลื่อมใสและออกปากสรรเสริญ จนกระทั่งกลายเป็นสาวกของเจ้าลัทธินั้นๆไปในที่สุดภิกษุทั้งหลายได้เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นต่างเข้าเฝ้าทูลขอร้องพระองค์ให้ทรงกระทําปาฏิหาริย์เช่นนั้นบ้างเพื่อให้เป็นที่ปรากฏแก่สายตามหาชนทั้งหลายพระองค์ตรัสตอบว่าพระองค์ละอายในการที่จะล่อลวงพวกเขาให้มาเป็นสาวกด้วยวิธีอันน่าเกลียดน่าชัางนั้นทรงตรัสอธิบายว่า ตถาคตเจ้าทั้งหลายย่อมกระทาปาฏิหาริย์อย่างเดียวเท่านั้นคือทรงเปลื้องประชาชนทั้งหลายออกมาเสียจากกามกิเลสและตัณหาพ้นจากการตกเป็นทาสของกิเลสและการผูกเวรช่วยเปิดตาคนที่กำลังบอดด้วยความเคลาจากอวิชชาที่มืดสนิทยิ่งกว่าความมืดของราตรี ปาฏิหารชนิดนี้แหละที่พระตถาคตเจ้าทั้งหลายพอใจกระทาส่วนปาฏิหารอื่นๆ น, นั้นท่านเกลียดชังและประนามยิ่งนักครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ได้ทราบว่าพระปินโทละาระทวาชะได้กระทาปาฏิหารเหาะขึ้นไปปลดบาทซึ่งผู้มีฤทธิ์นำไปติดไว้ในที่สูงเพื่อเป็นการทดลองฤทธิ์ของท่าน ด้วยคำกล่าวว่าท่านมีอำนาจฤทธิ์มากกว่าพระอรหันต์องค์อื่นๆท่านจึงนำลงมาได้สำเร็จพระโมคคัลลานะได้ไปเป็นเพื่อนด้วยพระพุทธองค์ไม่ทรงเห็นดีด้วยในการกระทําเช่นนี้เป็นอันมากรับสั่งให้ทําลายบาดใบนั้นต่อหน้าพระปินโทละและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและรับสั่งห้ามมิให้กระทาเช่นนั้นอีกพร้อมทั้งทรงบัญญัติว่า ภิกษุทั้งหลายต้องไม่ทำการล่อลวงคนข่าวทั่วๆไปให้นับถือบูชาด้วยการกระทำปาฏิหาริย์ใดๆและหากยังขืนธทมจกต้องไม่อยู่ร่วมกับพระองค์หรือภิกษุทั้งหลายอีกต่อไปคนไร้ธรรมฟั่นเฟือนเหมือนเปลือยกายมันน่าอายอวดได้ไม่คลื่นเฮียนคนมีธรรมรู้อายไม่ไา้เวียน จุงดูให้แนบเนียนมีอาพรอาจสุขเย็นเห็นประจักษ์เพราะรักตัวไม่เมามัวรักอิเลสเป็นเหตุถอนตนออกจากความจริงสิ่งถาวรจนเห็นกงจักคร้อนเป็นดอกความเหมอเหมิมเพิ่มตันหาให้กล้าจัดเหมือนหลงสร้างสมบัติ ไว้ทูลหัวยิ่งมีมากหนักมากยิ่งยากตัวทั้งยิ่งกลัวความวิบัติขึ้นบัตรดลข้อบังคับข้อนี้ได้มีอยู่สืบมาเป็นพระวินัยที่สำคัญข้อหนึ่งของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาห้ามมิให้ภิกษุรูปใดแสดงปาฏิหารเพื่อให้คนเลื่อมใสหรือเพื่อลาบสการะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเด็ดขาด แต่การกลับเป็นว่ามีประชาชนเข้าใจในข้อที่ทรงบัญญัติไว้นั้นและได้เห็นชัดแจ้งว่าพระองค์สมควรเป็นพระศาสดาที่แท้จริงได้พากันแสดงความเคารพนับถือและเพิ่มการบำรุงสมณะบริฐารอย่างมากมายแด่พระสาวกพระพุทธองค์ในที่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมจนสาวกของเจ้าลัทธิอื่นๆเกิดความไม่พอใจที่ได้เห็นเช่นนั้น ครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์เดินทางมาพำนักยังนครโกสัมพีมีเจ้าลัทธิผู้มีชื่อเสียงผู้หนึ่งพร้อมด้วยสาวกจำนวนมากซึ่งตั้งสำนักอยู่ก่อนแล้วนั้นได้พากันกลั่นแกล้งและด่าทอพระภิกษุสงฆ์ และบุคคลที่เลื่อมใสพระพุทธองค์ด้วยคำหยาบคายร้ายกาจต่างๆนานาได้ดักกระทําเช่นนี้ไปทุกหลทุกแห่งโดยเฉพาะเวลาท่านออกบินทบาทพระอนนต์ได้กราบทูลพระพุทธองค์ในนามของภิกษุทั้งหลายขอให้ทรงพาพระภิกษุสาวกทั้งหมดเดินทางออกไปเสียจากนครโกสัมพีเพื่อจะได้พ้นจากการด่าทอและกลั่นแกล้งทั้งหลายทรงตรัสถามพระอ น, นุว่า อานน์ถ้าหากว่าเราหนีไปสู่ที่อื่นแล้วถูกคนในที่นั้นทารุนด่าทอเราเข้าอีกจะทำอย่างไรเล่าถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเราก็ควรจักไปสู่ที่อื่นต่อไปอีกก็ถ้าในที่แห่งใหม่นี้เราก็ยังถูกด่าทอศบประมาทอยู่นั่นเองเล่าเราจะทำอย่างไรต่อไป เราก็จกักหนีไปสู่ที่อื่นอีกพระเจ้าขา่าพระพุทธองค์ทรงมองพระอานนุ์ด้วยสายพระเนตรอันอ่อนโยนด้วยพระเมตตาเป็นที่ยิ่งทรงตรัสว่าดูก่อนอาหนุนอดทนให้เหมาะสักหน่อยเท่านั้นก็จะตัดความยุ่งยากในการโยกย้ายไปไปมามาเสียได้โดยสิ้นเชิง มันไม่เป็นที่แน่นอนว่าเราจะหาพบที่แห่งใหม่ซึ่งไม่มีใครด่าทอแต่ที่แน่นอนก็คือเราจะหาพบได้ในข้อที่ว่าเหตุเกิดณที่ใดก็ควรดับเสียที่ตรงนั้นความอดกลั้นอดทนนี่แหละที่นักปราดทั้งหลายเอาชนะศัตรูได้โดยสิ้นเชิงอานนท์เ อ, อ๋ย จงดูช้างที่เข้าสู่สนามรบมันไม่ใส่ใจต่อลูกสรต่อแลนหลาวที่ซัดมารอบข้างมันพุ่งกระโจนเข้าใส่ฆ่าศึกทำลายสิ่งต่างๆตรงหน้าให้ราบเปรียบหมดเราจักเอาอย่างช้างนั้นจักอยู่ที่นี่เพื่อเผยแผ่คำสอนที่ถูกต้องเพื่อปลดเปลื้องคนชั่วช้าเหล่านั้นให้ออกมาเสียจากข่ายแห่งกิเลส ที่เขาติดแน่นอยู่เราจะไม่ใส่ใจกับคำกล่าวร้ายของฝ่ายปฏิปักษ์มันเหมือนกับคนที่ถมน้ำลายขึ้นไปบนฟ้าโดยคิดจะให้ฟ้าเปื้อนแล้วเขาก็จะพบความจริงว่านอกจากจะขึ้นไปเปื้อนฟ้าไม่ได้แล้วยังกลับตกลงมารดหน้าตัวผู้ถมเองในภายหลังนี้ฉันใด คำด่าทอของคนที่น่าสมเพศเหล่านั้นจะกลับไปสู่พวกเขาในภายหลังแน่นอนฉันนั้นเมื่อรบสู้กับศัตรูสู้ด้วยธรรมจะปลุกปล้ำกันเท่าใดไม่เสียหายถ้าสู้กันอย่างนี้ไม่มีตายในสุดท้ายจะปรองดองต้องใจกัน เมื่อป้องกันศัตรูรู้ใช้ธรรมเป็นกำแพงเพชรลำเลิศมหันต์ป้องกันได้สารพัดน่าอัศจรรย์ป้อมค่ายมั่นกว่าสิ่งใดในโลกคนจากการไม่โต้อตอบฝ่ายที่เฝ้ากลั่นแกล้งนั้นยังผลให้ประชาชนชาวนครสันเสริญความอดกลั้นอดทนของพระองค์ และสาวกอย่างนิยมชมชื่นต่างพากันเกลียดชังและติเตียนการกระทำของเจ้าลัทธินั้นๆและนับจากนั้นมาคนหนุ่มจากตระกูลสูงสูงแห่งนครโกสัมพีก็หันมารับนับถือคำสอนของพระองค์ถึงกับออกบวชเป็นภิกษุก็มีอยู่ไม่น้อยแต่อย่างไรก็ตามนักบวชชาวโกสัมพีนั้นแม้บวชเป็นพระภิกษุแล้วบางพวก ก็ยังไม่ทิ้งนิสัยทะเลาะเบาแวงเริ่มจากการวิวาทกันเองด้วยเรื่องจุกจิกหยุมหยิมในข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆพวกหนึ่งถืออย่างหนึ่งอีกพวกหนึ่งถืออีกอย่างหนึ่งแม้พระพุทธองค์ได้ทรงขอร้องซ้ำแล้วซ้ำอีกให้อยู่ด้วยกันด้วยความสงบโดยไม่ต้องวินิจฉัยว่าฝ่ายใดผิดฝ่ายใดถูกทรงบอกให้รู้ว่าการทะเลาะวิวาทมาตรายกันนั้น เป็นความผิดที่เลวยิ่งไปกว่าความคิดเห็นที่ต่างกันเล็กๆน้อยๆ อ, อ, อันเป็นต้นเหตุให้ทะเลาะกันนั้นอีกเมื่อทรงเห็นว่าภิกษุเหล่านั้นไม่เชื่อฟังและไม่ยอมรับคำแนะนำพระองค์ก็เสด็จไปเสียจากนครโกสัมพีทิ้งภิกษุเหล่านั้นไว้เบื้องหลังข่าวนี้รู้ไปถึงชาวบ้านชาวเมืองก็พากันงดถวายอาหารบิณฑบาตและการบำรุงอื่นๆแก่พระภิกษุผู้ประพฤติตนเหมือนชาวบ้าน ที่ขี้ทะเลาะเบาะแว้งกันนั้นเสียโดยสิ้นเชิงซึ่งยังผลให้พระภิกษุเหล่านั้นต่างสำนึกตัวได้ในเวลาอันสั้นหันมาปรองดองปฏิบัติตามคำแนะนำของพระองค์อย่างเคร่งครัดจนกระทั่งพระองค์ทรงยินยอมให้ภิกษุเหล่านั้นอยู่ร่วมสำนักและร่วมเดินทางกับพระองค์สืบไป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 หรือมีอย่างไม่มีที่ถูกตรงอันตัวกูของกูที่รู้สึกเป็นตัวลวงเหลือลึกให้คนหลงส่วนตัวธรรมเป็นตัวจริงที่ยิ่งหยงหมดความหลงรู้ตัวธรรมล้ำเลิศตน